สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนัทกรคนชอบเล่าคลิปนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวของท่านสมาชิกซึ่งอาจจะเป็นประสบการณ์ตรงหรือฟังมาจากญาติหรือเพื่อนหรืาจจะเป็นในหนังสือหรือบทความที่อยากจะนำมาให้ผมถ่ายทอดต่อยังไงก็ได้ทั้งนั้นครับขอแค่เพียงให้ท่านผู้ฟังมีความสุขต่กการฟังก็พอและเรื่องราวของคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณอาร์ชยามาห้าขออภัยนะครับกับเอ็กซเซนที่เกิดขึ้นกลับมาเป็นสำเนียงไทยดีกว่า คุณอาร์ตได้แชร์บทความนึ่งมาให้ผมถ่ายทอดต่อบทความนี้มาจากเว็บโอเคเนชั่นครับเรื่องป่าอาถรรพ์ของคุณดอกไม้บานในศูนย์อักษรเรื่องราวจะเป็นยังไงลองฟังกันดูครับศพของหญิงสาวคนหนึ่งถูกกองทิ้งอยู่ข้างทางลักษณะนอนหงายตาทั้งสองข้างเหลือพลงมีรอยเขี้ยวฝังลงไปบนศีรษะตรงบริเวณท้ายทอยด้านหลังและที่น่าสะอิดสะเอียนน่ากลัวที่สุดก็คือแผ่นท้องถูกกัดเครื่องในทะลักเรี่ยราด และมีบางส่วนของเครื่องในที่ขาดหายไปปืนพกสั้นลนอยู่ข้างตัวกระสุนครบเห็นได้ชัดว่าตัวเธอยังไม่ทันได้เหนียวไกลด้วยซ้าไปเธอจอดรถไปบนทางใหญ่ก่อนจะเดินตัดเข้าป่าเพื่อจะมายังหมู่บ้านห้วยน้ําขาวดินด ร, รอบบริเวณนั้นถึงจะแห้งแข็งแต่ก็ยังพอมองเห็นรอยเท้าเจ้าสัตว์ ร, ร้ายที่ฆ่าชีวิตหญิงสาวได้ดูตามรอยมันย่องตามเธอมาตั้งแต่ชายป่าหญิงสาวต่างถิง่นคนนี้เคยเข้ามาในหมู่บ้านถึง2ครั้ง มาพูดคุยกับชาวบ้านเล่นกับเด็กๆมาเก็บข้อมูลและก็ถ่ายรูปแม่เท่าในหมู่บ้านนึงเคยชวนขึ้นบ้านไปพักเหนื่อยและก็พูดคุยกันแม่เท่าเล่าว่าตัวเธอเป็นนักศึกษาอยากไปชมวิถีชาวบ้านไม่อยู่กันอย่างไรเพื่อจะอไปเขียนหนังสือให้คนในเมืองอ่านวันนั้นเธอถามแม่เท่ามากมายหลายเรื่องจนแม่เท่าเองถ้าจะให้เล่าก็จําไม่ได้แล้วลืมไปแล้วจําได้แค่ว่าเคยมาคุยกับแม่เท่าและก็กลับและก็ไม่เจอจนเจอวันนี้กลายเป็นศพและอยู่ตรงปากทางเข้าหมู่บ้าน เขาคิดจะมาทําอะไรที่นี่ตอนกลางคืนนี่เป็นเรื่องที่ชาวบ้านโจษกันหนาหูพอเท่าหัวหน้าหมู่บ้านก็สั่งให้คนมานําอสบของผู้หญิงคนนี้ไปวัดห้วยน้ําขาวสวดศพพอเป็นพิธีแล้วก็เผาและเก็บอธิเอาไวใ้ให้ญาติของคนตายด้วยสองอาทิตย์ผ่านไปก็มีคนเดินทางมาที่หมู่บ้านอีกเป็นหญิงชายคู่หนึ่งจาดําอดีตทหารรับจ้างเป็นผู้นําทางสองคนมาจากในเมืองสองคนนั้นต้องการมาพบพเท่าทราบความภายหลังว่า หญิงคนนี้ชื่อคุณเดือนมาถามหาน้องสาวที่หายไปส่วนคนผู้ชายชื่อคุณรุตเป็นเพื่อนมาด้วยกันพ่อเท่าได้นําอัฐิของหญิงผู้ตายมามอบให้และเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับคนทั้งสองได้ฟังและคิดว่าผู้หญิงที่ตายน่าจะเป็นน้องสาวของเธอคุณเดือนถึงกับสริบพอฟื้นขึ้นมาก็ร้องไห้อีกไม่ยอมหยุดและบอกว่าอยากจะให้พ่อเท่าพาไปดูที่รถของคนตายถ้าเป็นรถของน้องสาวเธอจริงแสดงว่าผู้หญิงที่ตายเป็นดาวน้องสาวเธอ พ่อเท่าก็รับปากว่าพรุ่งนี้เช้าจะให้คุณพาไปแต่คืนนี้ขอให้นอนพักที่นี่ก่อนขํามืดเดินป่ากลับไปตอนกลางคืนเห็นจะไม่พ้นไม่ใครก็ใครต้องถูกตะปบกันบ้างเสือโดยทั่วไปไม่เคยมายุ่มย่ามแถวหมู่บ้านนี้หรอกนี่มันเป็นเสือผีมาดักกัดคนนี่เดี๋ยวก็คงจะเอาอีกคืนนี้ก็นอนค้างที่บ้านพ่อเท่านี่แหละเดินกลับไปมืดมดเห็นจะไม่พ้นแน่ลุงจ่าให้นําทางคุ้มกันอันตรายตอนกลางวันคงพอไหวก็ได้อยู่ แต่ตอนกลางคืนเห็นจะพึ่งไม่ได้อย่าไปเสี่ยงจะดีกว่าเช้าบันรุ่งขึ้นเดือนกับรุถและจ่าดำ้าตื่นเตรียมพร้อมแต่เช้ามืดเพื่อจะไปดูรถที่ทางอีกด้านของหมู่บ้านที่พระเฒ่าบอกว่าเป็นรถของคนตายจอดไว้เมื่อถึงสาสเดินลงมาจากเรือนก็พบกับชายคนนึงแต่งกายด้วยชุดหม้อห้อมมอสรหลังสะพายปืนยาวเก่าๆหนึ่งกระบอกรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาคมสันเขาแนะนำตัวว่าชื่อจันท์พระเฒ่าใช้ให้มาเป็นคนนำทางไปดูตรงที่น้องสาวคุณตายเพราะวันนี้เป็นวันพระ พอเท่าต้องถือศินจันกล่าวทักทายกับคนทั้งสองและก็ออกเดินทางไปทันทีโดยมีคนทั้ง3เดินตามไปจันทร์พาทุกคนเดินลัดป่าบอกว่าจะช่วยย่นระยะทางได้มากแต่ระยะทางของจันทร์ที่บอกบรรลุแล้วก็ยังทั้งไกลและห่างโหดสําหรับคนเมืองทั้งสองคุณเดือนเดินตรงกลางระหว่างคุณรุจและจ่าดําส่วนในจันทร์เดินนําไปและห่างออกไปแต่ก็ทิ้งระยะให้เห็นหลังไวไวยให้ทั้งหมดพอเดินตามได้ เดินไปจนสุดชายป่าทั้งหมดก็ออกมายืนอยู่บนทางใหญ่ซึ่งดูคล้ายกับถนนตรงริมทางมีรถจี๊บสีเขียวจอดอยู่คันหนึ่งนั่นคือรถของคนตายคุณเดินมเมื่อโผล่มาเห็นว่าเป็นรถของน้องสาวก็รีบวิ่งเข้าไปและดูเข้าขอในรถของน้องสาวกุญแจก็ยังคายอยู่ที่รถภายในรถมีเสื้อผ้าของใช้แผนที่สมุดบันทึกงานวิจัยเดือนร้องไห้ไม่ได้เห็นข้าวของทั้งหมดของน้องสาวของที่เธอได้หยิบจับรถที่เธอได้ขับก่อนที่เธอจะตกเปนเหยื่อสัตว์ร้ายที่นี่ หากห้ามใจเธอคุณเดือนดาวไปดีแล้วและเราก็ได้ทั้งอัฐิและข้าวของของดาวคืนมาหมดแล้วรีบไปกันเถอะก่อนที่จะมืดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราแค่กลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อจะเอารถดาวกลับไปรุดเอ่ยจ่าทำไมตอนขามาจ่าทำไมไม่พาพวกเรามาทั้งนี้เดือนถามจ่าดำคนนำทางของเธอทางนี้เป็นชุมเสือทั้งที่เป็นสัตว์ร้ายและผู้ปล้นก็มีครับเอารถเข้ามาได้ก็จริงแต่มาถึงสุดทางตรงนี้ก็ต้องลงเดินตัดป่าเพื่อเข้าหมู่บ้าน ปาดิบซีด้วยทางนี้เป็นทางเก่าครับเกิดเรื่องเสียจนไม่มีใครใช้ถึงจะย่นระยะทางกว่าคุณดาคงจะไปได้แผนที่เส้นนี้มาจากที่ไหนมาโดยไม่รู้ว่ามันเป็นทางอันตรายเฮ้อเคราะห์กรรมแท้ๆพบคั่มเมื่อเดือนและรุษกับจ่าดำเช็คสภาพรถและข้าวของเสร็จในขากลับหมู่บ้านทั้ง3เดินตามจันท์คนของพ่อเท่ากลับทางเดิมโดยจันทร์บอกว่าก่อนตัดทางเข้าหมู่บ้านจะพาเดินไปดูตรงที่คุณผู้หญิงถูกกลากไป รู้จะเอ่ยปากทัดทานเพราะเกรงว่ามันจวนจะมืดแล้วแต่เดือนก็ดื้อรั้นอยากจะไปดูให้ได้จึงต้องยอมตามจันทเดินนําไปตามทางด่านสัตว์ก่อนจะเดินตัดทางไปลงไปทางด้านตะวันตกพาทั้ง3เดินเข้าทุ่งแฝกรกชื้นอากาศร้อนมากจนเหงื่อออกตัวเปียกก่อนจะเดินสุดแนวแฝกก็กินเวลาเกือบชั่วโมงพอทั้ง3เดินผ่านพ้นแนวแฝกก็ปรากฏกลิ่นเน่าฝุ่นขึ้นมาตามลมตลบอบอวนจนแทบจะอาจเจียนอึดใจเดียวกันนั้นเสียงคำรามก็แผดดังขึ้น ซื้อใหญ่ขนาดไม่ต่ํากว่าแปดสตอกกระโจนขึ้นกลางอากาศกรงเล็บมหึมากําลังตะปลบลงมายังหญิงสาวสับพลันทันใดเว้นาทีเดียวกันนั้นปังเสียงปืนลูกสองก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังแสกเข้าใต้คางเสือผีร้ายตนนั้นหลนลงมาตรงหน้าหญิงสาวที่กําลังกรีดร้องสุดเสียงด้วยความตกใจสุดขีดคุณเดือนไม่เป็นอะไรนะครับจ่าดําถามขณะฉุดมือคุณเดือนขึ้นจากผื้นเดินเสธหลาเข้าไปอยู่ในอกรุธที่ตกใจและขวัญเสียอยู่ไม่ต่างกันลุงจ่ารีบดึงคนทั้งสองห่างออกมาจากซากเสือร้าย มันเป็นเสือผีวิญญาณผีไต้โหงเข้าสิงมันไม่ได้หิวไม่ได้ต้องการอาหารแต่มันต้องการที่จะเอาชีวิตคนตามนิสัยเสือกินคนของมันฉลาดซะด้วยผมสังหอนใจตั้งแต่มันอาสาจะพามาอยู่ที่เกิดเรื่องธรรมดานิสัยชาวบ้านนะจนมืดก็มีแต่จะเร่งให้รีบกลับมันคงตามพวกเราตั้งแต่เมื่อวานและซุ่มอยู่พอเช้ามืดกระแปงเป็นคนมาหลอกให้เราตามมันมาไร้นักคุณเดือนคุณรุษเรารีบกลับกันเถอะครับป่านนี้พ่อเทาคงให้คนออกตามหาเราใหญ่แล้วป่านนี้มันอาถรรพ์นักคุณ จ่าดำว่าครับและนี่ก็จบเรื่องราวจากกระทู้ในโอเคเนชั่นออกแนวสั้นๆกระชับกระชับแต่ผมจะโดนบ่นไหมเนี่ยว่ามันสั้นไปเอาเป็นว่าผมต่อให้เรื่องดีกว่าเราจะบินไปญี่ปุ่นกันโดยไม่ต้องขูดรหัสใต้ฝาเข้าเรื่องดีดีกว่าครับพาะขาที่มั่งข้างคนหนึ่งชื่ออินามุริยะเก็นซุเกะอยู่ในจังหวัดทัมบะเขามีลูกสาวแสนสวยและฉะเฉลียวฉลาดชื่อโอซโน อินามูระยะกินสุเกะประสงค์ให้ลูกสาวได้รับการศึกษาจากอาจารย์ในเมืองใหญ่ไม่ใช่เพียงเล่าเรียนจากครูในต่างจังหวัดจึงจัดหาผู้ติดตามลูกสาวและส่งเธอไปยังเมืองเกียวโตโเพื่อให้ได้รับความรู้ยิ่งสาวผู้ดีในเมืองหญิงสาวได้รับความรู้เพียบพร้อมแล้วเธอก็ได้แต่งงานกับพ่อค้าชื่อนางาระยะซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคน4ปีต่อมาโอโซโนบุ๋ยหนักและตายไปโดยไม่ทันสั่งเสียอะไร คืนหนึ่งหลังจากที่ฝังศพแล้วลูกชายของโอโซโนเล่าว่าเห็นแม่มานั่งอยู่ในห้องชั้นบนที่บ้านแม่ยิ้มกับเขาแต่ไม่ได้พูดอะไรเขารู้สึกกลัวจึงวิ่งหนีออกมาคนในบ้านเข้าไปในห้องซึ่งเคยเป็นห้องของโอโซโนะแล้วก็ต้องตกตะลึงที่เห็นหญิงสาวคนตายยืนอยู่ในแสงตะเกียงที่จุดไว้ที่หน้าที่บูชาตรงหน้าลิ้นชักที่เก็บเครื่องประดับและของใช้กระจุกกระจิกของเธอซึ่งยังใส่สิ่งของต่างๆไปครบถ้วน ร่างของคนตายมองเห็นได้เฉพาะท่อนบนจนถึงศรีรษะเท่านั้นต่ำจากเอวลงไปและดูเลือนๆไม่ชัดเจนเหมือนเงาสะท้อนไหวในน้ําที่เห็นได้เพียงครึ่งเดียวคนที่เห็นตกใจมากรีบเห็นออกจากห้องแทบไม่ทันทุกคนในบ้านมาหารือกันที่ชั้นล่างแม่ผัวของโอสโนโพูดขึ้นว่าผู้หญิงมักจะเป็นห่วงสมบัติชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เคยเป็นของโปรดปรานคนตายก็รักของบางชิ้นของเธอมากอาจจะกลับมาดูว่ามันอยู่ที่ไหน คนตายบางคนอยู่ไม่สงบจนกว่าจะหาของที่ต้องการพบนอกจากจะเอาของไปถวายวัดให้หมดถ้าเราเอาเสื้อผ้ารละเครื่องประดับของโอโซโนะไปถวายวัดวิญญาณของเธอคงจะสงบสุขได้เสิยทีเช้าวันต่อมาลิ้นชักของโอโซโนะก็ถูกรื้อออกทั้งหมดคนในบ้านช่วยกรรันรวบรวมของทุกชิ้นของผู้ตายไปถวายวัดแต่ตกกลางคืนผีของโอโซโนะก็ยังกลับมาค้นหาของในลิ้นชักทุกคืนเหมือนเดิมทําให้ทุกคนในบ้านขวัญห น, นีดีฟอไปตามๆกัน แม่ผัวของอุดสนุจึงไปหาท่านสมพานที่วัดและก็เล่าให้ท่านฟังถึงเรื่องราวผีที่วนเวียนกลับมาหาของที่บ้านทุกคืนสมพานธไดเงินมีอายุมากแล้วและเป็นพระที่รอบรู้ทุกอย่างท่านตอบว่านี่แสดงว่าผู้ตายยังเป็นห่วงกังวลถึงของที่อยู่ในลิ้นชักดิฉันหรือลิ้นชักหมดถั่วแล้วเจ้าค่ะไม่มีของเหลืออยู่สักชิ้นเดียวแม่ผัวของผู้ตายแยง้งถ้าเช่นนั้นคืนนี้อัตมาจะไปที่บ้านของโยมเองจะเข้าไปเฝ้าดู เพื่อว่าจะช่วยเหลืออะไรได้ยมต้องสั่งห้ามม่ให้ใครเข้าไปยุ่มยามในห้องนอกจากอัตมาจะเรียกสมภารสั่งเมื่อตะวันรับขอบฟ้าในตอนค่าท่านสมภารก็ไปที่บ้านของผู้ตายและเข้าไปในห้องซึ่งจัดเตรียมไว้เรียบร้อยท่านนั่งท่องพระสูตรอยู่ตามลําพังในความเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงเวลาตีหนึ่งร่างของโอดสนก็ปรากฏสลัวสลวขึ้นหน้าลิ้นชักและจ้องมองไปที่ลิ้นชักนั้นด้วยสีหน้าซึ่งบอกถึงความวิตกกังวล ท่านสมพานสวดมนต์บทพิเศษสําหรับเหตุการณ์เช่นนี้ท่านเรียกชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่ของผู้ตายแล้วพูดว่าโยมอัตมาต้องการช่วยโยมนะในลิ้นชักมีอะไรที่เป็นเหตุให้โยมวิตกกังวลเป็นห่วงอยู่ให้อัตมาค้นดูดีไหมเงาผีโอสนะพยักหน้าเล็กน้อยสมพานลุกขึ้นเดินไปคนลิ้นชักอันบนสุดในนั้นไม่มีอะไรเลยสมพานคนลิ้นชักที่สองที่สและที่4ค้นหาจนทั่วทั้งด้านข้างและด้านล่าง และควานหาทุกซอกทุกมุมในตู้เสื้อผ้าแต่ก็ไม่พบสิ่งใดร่างโอโซโนที่เห็นเพียงรางนั้นยืนมองอย่างวิตกพระกำลันงนึกในใจว่าเธอจะมาเอาอะไรของเธอนะแล้วก็บังเอิญ น, นึกขึ้นได้ว่าอาจจะมีสิ่งใดที่หลงอยู่ใต้กระดาษที่รองลิ้นชักจึงดึงกระดาษที่รองลิ้นชักชั้นบนออกแต่ก็ไม่พบสิ่งใดท่านดึงกระดาษรองลิ้นชักที่2และลิ้นชักที่3แต่ก็ยังไม่พบอะไรจนกระทั่งลิ้นชักอันสุดท้ายสมภารจึงเห็นจุดหมายฉบับหนึ่งซ่อนอยู่ โอ้โยมเป็นห่วงสิ่งนี้เองใช่ไหมสมพานถามเงาผีผู้หญิงนั้นหันมาทางสมพานจ้องดูจดหมายนิ่งอยู่อัตมาจะเผาจดหมายนี้เสียดีไหมสมพานถามอีกผีโอสโนโผลยักหน้าดีละ่ะอัตมาจะเอาไปเผาที่วัดเช้านี้เลยนะจะไม่มีใครได้อ่านจดหมายนี้นอกจากอัตมาคนเดียวเท่านั้นสมพานให้สัญญาแล้วร่างโอสนโน้ก็ยิ้มจางๆแล้วหายวับไปรุ่งอรุณแล้วสมพานเดินลงบันไดามาข้างล่าง พบคนในบ้านจับกลุ่มร้อยอยู่อย่างกระวนกระวายอย่าร้อนใจไปเลยผีจะไม่กลับมาอีกแล้วสมภารให้คำมั่นกับคนในบ้านและก็เป็นความจริงตามนั้นผีไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยสมภาร น, นำจดหมายไปเผาที่วัดของท่านจดหมายนั้นเป็นจดหมายรักที่มีผู้ชายเขียนถึงโอุสโนก ต, ตั้งแต่ครั้งที่เธอยังเล่าเรียนอยู่ในเมืองเกียวโตสมภารเป็นคนเดียวที่รู้ความลับนี้และท่านก็ปล่อยให้ความลับสลายไปพร้อมกับตัวท่านในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต โดยที่ไม่มีใครล่วงรู้เลยครับคลิปนี้พาเข้าป่าแล้วก็บินไปเจแปนเลยแต่เรื่องที่2นี้มันคือเรื่องจริงนะครับที่ไม่ว่าคนเป็นหรือว่าคนตายหากยังยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมปล่อยยังไงมันก็ไม่หลุดครับก็กอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ